ชุนี้ตั้งใจจะให้เป็นส่วนแก้ไขอารมณ์เวลาเราปฏิบัติพอปฏิบัติไปมันมีนิวรณต่างๆเข้าเป็นงงเป็นเงาเป็นเบือ่อเป็นเซ็งบางทีเราใช้วิธีกําหนดรู้อย่างเดียวเนี่ยก <c oughs> ำลังของสติมันไม่พอกําลังของตัวแล้วก็ใช้เพิ่มนะเพิ่มกําลังสติวิธีการเพิ่มกําลังสติทําไง ก็เพิ่มการเคลื่อนไหวเพิ่มเวทนาให้มากขึ้นเช่นเรานั่งง่วงเนี่ยโดยเฉพาะหลังทานข้าวใหม่ๆหรือนั่งแช่นานๆ น, <c oughs> นะที่จะให้นิวรเข้านะแล้วก็จะดูการปรับอินรีย์ของเราด้วยว่าเราปรับอินรีย์เป็นไหมเช่นบางคนนั่งในยบทที่สบายนั่งพิงเสาหรือนั่งใน อีบุตร น, นานๆเกินไปเนะี่ยจะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดนิวรณ์นะหรือนั่งแล้วติดสงบติดหลับตาก็เป็นเหตุใกล้ให้เกิดนิวรณ์เราต้องสำรวจข้อมูลเหล่านี้ก่อนนะทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่แก้ไขเหตุ ใ, ใกล้ที่ให้เกิดนิวรณ์ทายัางไงมันก็ง่วงอยู่อย่างนั้นนี่ก็เรื่อเราไม่ไม่เข้าใจในการปรับอินทรีนะแต่มันเกิดนั่งไปมันง่วงมันสงบมัน หือแม้กระทั่งตัวฟุง้งซ่านงุดหงิดมันมีเหตุใกล้ให้เกิดทั้งนั้นไม่ใช่จู่ๆมันจะเกิดแต่เหตุใกล้เรื่องเงื่อนไขเราเนี่ยเราเฉลียวใจไหมว่าเรากําลังอยู่ในเอียบุตรไหนนั่งอย่างไรต้องเฉลียวใจในตัวนี้สําคัญในการแก้แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเร า, าปรับอินรีย์ในส่วนที่เป็นเหตุใกล้เหตุปัจจัยให้เกิดนิวรณได้แล้วเนี่ยมันก็ยัง หนักน่วงทวงทับอยู่แล้วก็เปลี่ยนมาใช้รียบทพิเศษเช่นเรานั่งท่าที่ไม่สบายมันปวดง่ายหรือเราเอาโยคะบางท่ามาทำเช่นเหยียดขาออกแล้วก็ก้มตัวลงเราก็จะรู้สึกตึงที่ท้องขาตึงที่ข้อเนี้ยตึงหนักๆเข้ามันเกิดทุกขเวทนาจ็บ ไอ้ตัวงงเหงาเฮาเหรืตัวเสื่อมเรืมันก็จะหายไปทันทีนี่เรียกวิธีแก้โดยการเอาเพิ่มกําลังเพิ่มกําลังของเวทนาเข้ามาแก่นะซึ่งถ้าหากว่าเราฉุกคิดฉเฉลียวใจเนี่ยนิวรณ์มันจะเข้ามาครอบครองเรานานไม่ได้แต่เหตุปัจจัยอันหนึ่งที่ทําให้เราแก้ไขยากคือเรามีอารมณ์ร่วมเฮานิวรณ์นั้นอย่าลืมว่ามันมีรสชาตินะ่ะมันมีอาสาทะของมันอยู่ มันงนไข่ไปนั่งง่วงได้เป็นหลายๆเป็นชั่วโมงได้เพราะมีอาสาทะมีความอริยอร่อยอยู่เพราะจิตของเราเคยเสพมันเป็นที่อยู่ของจิตนิวรณ์เป็นที่อยู่ของจิตมานานในช่วงที่เราไม่มาเจริญสติมาเจริญวิปัสสนาเนี่ยจิตเราก็จะอยู่สิ่งเหล่านี้เสพนะทีนี้เมื่อเราเจริญสติไปแล้วนิวนรณ์เหล่านี้มันเข้ามาซึ่งเรื่องเหล่านี้ได้กล่าวไป รายละเอียดเมื่อสองสัปดาห์ก่อนวันนี้ก็จะมาดูเรื่องของจิตนะถึงเมื่อวานพูดในเรื่องของกายเวทนาในทุกแ ง, ง่ทุกมุมในรายละเอียดนี่วันนี้มาดูแง่ของจิตกับอารมณ์บ้างนะจิตอารมณ์ว่าในภาคปฏิบัตินั้นเราจะเกี่ยวข้องกับจิตกับอารมณ์อย่างไรนะเบื้องต้นที่สุดให้กลับมาดูภาวะจิต ที่มันปกติขณะนี้เดี๋ยวนี้ก่อนกลับมาดูที่รูปนามก่อนกลับมาดูที่ความรู้สึกก่อนขณะ น, นี้สมมตินขณะนี้เรารู้สึกอย่างไรจิตเป็นยังไงภาวะที่เป็นอยู่มันสงบหรือไม่สงบมันรู้สึกเศร้าหมองหรือผ่องใสมันรู้สึกนิ่งหรือแสสายกลับมาดูตรงนี้เสมอในการตั้งต้น ทุกครั้งที่รู้สึกว่าในขณะนี้สํารวจลงไปชัดๆยอมรับความเป็นจริงว่าขณะนี้จิตของเราเศร้าหมองหรือผ่องใสขณะนี้ขณะนี้จิตใจเราแสสายหรือสงบขณะนี้จิตใจของเราโล่งโปร่งหรือหนักหน่วงท่วงทับขณะนี้จิตของเราโปร่งเบาหรือสลืมสลือสารวจลงมาชัดๆตรงนี้ก่อนไอ้เบื้องต้นที่สุดนะ ที่จะเข้าไปดูภาวะจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนากับแต่นั่นหมายของว่าสติที่เราพัฒนาและเจริญมาในรูปนามนั้นชัดเจนดีแล้วเราถึงจะใช้เข้ามาสำรวจจิตได้แต่ในกรณีที่เราปฏิบัติในรูปนามในเวทนาไม่ชัดไม่ <c oughs> ไม่เข้าใจหรือไม่แจ่มแจ้งเนี่ยไอการที่จะใช้สติที่จะมาสำรวจ จิตและอารมณ์ก็ยากอีกเพราะเราทำไม่เป็นเนื่องจากขาดประสบการณ์ในการดูรูปดูน้ำดูกายดูเวทนาโดยไม่แยบคลายนะเพราะฉะนั้นในผู้ปฏิบัติในวิธีการเคลื่อนไหวเนี่ยท่านจึงต้องทำให้เข้าใจอย่างชัดเจนนะชัดเจนในรูปน้ำคือในกายกับเวทนาเรียกว่ารูปน้ำแล้วก็ ออกย้ำซ้ำซากอยู่ตรงนั้นบ่อยๆเพื่อให้เกิดว่าสีให้เกิดความชี่ยวชนานาญว่าเออภาวะที่เป็นรูปเป็นนามเป็นอย่างนี้นะภาวะที่เป็นกายเป็นเวทนาเป็นอย่างนี้นะในส่วนที่เป็นกายเป็นเวทนาทีนี้เมื่อเราทำจนชนี่ยวชนานาญแล้วพอมาขึ้นบทท ว, ว่าด้วยนามรูปคือมาดูจิตดูอารมณ์เนี่ยเราเรียกว่ามารูอารมณ์หลักๆ เริต้นดูกายเวทนาเรียกว่าดูรูปนามถ้ามาดูจิตและอารมณ์เรียกว่าดูนามรูปทีนี้ไอ้นามรูปนี่มันก็ตั้งต้นที่ว่าเรามาดูตั้งต้นที่นามคือความรู้สึกตัวล้นลวนซะก่อนความรู้สึกตัวล้นลวนความรู้สึกใจล้วนลวนเนี่ยโดยที่ยังไม่มีอะไรมารบกวนก็เป็นภาวะที่เป็นนามคือเป็นสติ สัมปชัญญะทีนี้ในตัวสติสัมยะที่มันเป็นนามล้วนๆเนี่ยให้ดูให้ชัดลงไปเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีอารมณ์รูปนามเป็นฐานอยู่คือยังมีความสบายไม่สบายของกายเป็นฐานอยู่ความเย็นร้อนอ่อนแข็งเครื่องตึงของกายเป็นฐานอยู่เป็นบันไดหนุนซึ่งกันและกัน เราปฏิเสธไม่ได้แต่เป้าหมายหลักที่เราจะเข้าไปดูก็คือดูอารมณ์ที่ภายในที่เป็นจิตเป็นอารมณ์แต่เราจึงเม้นในในการที่จะไปตอกย้าในเรื่องของรูปนามเพราเราผ่านการเฝ้าดูมาจนชํานาญแล้วเราจะขยับเลื่อนขึ้นไปดูนามรูปก็เริ่มต้นในดูที่นามคือเรียกสติสัมยามาให้ชัดก่อนจิตเป็นไงจิตโลง่งจิตโปรง่งจิตเบาจิตสบายให้ดูตรงนั้นเป็นฐานก่อนหรือจิตซื่ อ, อจิตเฉย อ่าซื่อๆเฉยๆแบบรู้แบบเข้าใจซึ่งต่างกับว่าซื่อๆเฉยๆแบบไม่รู้ไม่เข้าใจซึ่งได้กล่าวในเรียนหม่ำเมื่อวานนะเราก็ต้องมาสํารวจตรงนี้ให้ชัดนะสมมุติตรงนี้เราตั้งต้นตรงนี้ได้แล้วว่าเ อ, อขณะนี้รูปน้ําก็พอทนได้ไม่ทุกข์เกินไปในฝ่ายนามรูปก็ยังไม่มีอารมณ์อะไรเข้ามารบกวนให้ให้เป็นเรื่องเป็นลาวยังมีความรู้สึกซื่อๆเฉยๆชัดๆเป็นปกติอยู่ แล้วให้จิตของเราไปดูไปรู้ไปคุกคีไปเฝ้าดูไปสัมผัสตรงนี้บ่อยๆนะสัมผัสตรงนี้บ่อยๆคือบางครั้งเราอย่าไปสร้างเวทนาขึ้นมาโดยไม่จำเป็นต้องการให้จิตเนี่ยนิ่งซื่อเฉยและสงบดูเพื่อให้จิตเพื่อให้ให้ให้เห็นอาการของจิตเป็นอย่างนี้บ่อยๆเพื่ออะไร เพื่อให้จิตเนี่ยมันจำอารมณ์อันนี้เอาไว้เขาเรียกว่าสัญญาตัวนีด้ดูให้ดีนะตัวผู้รู้คือตัวสติมยิยาที่เราฝึกมาดีแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปทำหน้าที่เห็นรู้อาการเหล่านี้แล้วให้จิตของเราจำอาการเหล่านี้ไว้บ่อยๆจนเชื่อนเชานาที่เป็นว่าสีจนนื้อว่ามันเป็นที่อยู่ของจิตคืออารมณ์ที่ตัวปกติ ตัวรู้ตัวตื่นตัวโล่งตัวโปรงเนี่ยให้มันเป็นอารมณ์ของจิตเขาเชื่อว่าปรมัติเป็นอารมณ์ที่ว่าเอาปรมัติเป็นอารมณ์ถ้าไปเบื้องต้นเราเอารูปนามเป็นอารมณ์แต่ในส่วนที่เป็นนามรูปเนี่ยเอาปรมามัติเป็นอารมณ์คําว่าปรมามัติคืออะไรปรมามัติคือภาวะที่รียจิตรู้ชื่อซื่อเฉยเฉยชัดชัดปร่งโรงเบาเบาสบายสบายโดยที่ไม่มีอะไรขึ้นมาเป็น เป็นตัวสร้างให้เกิดตัวนามรูปหรือตัวภาพของจิตเนี่ยแต่ตัวนี้ไม่ใช่หลับตาลึกแล้วไม่ใช่หลับตาดูนะแต่ว่าสัมผัสเ อ, เอาสติไปสัมผัส ด, ดูแต่พวกที่เขาทำสมถะเขาก็จะไปเสพติดภาวะอันนี้เลยจิตมันก็จะเข้าไปสู่ความสงบความนิ่งความลึกความประณีตได้ง่ายแต่อันนั้นมันไม่ใช่วิธีการอันนี้วิธีการอันนี้ไม่ต้องการให้จิตไปจำอารมณ์ที่เป็นแบบ ประนีตลึกแบบแบบไม่รู้นะแบบเศษอันนั้นไม่เอาเพราะมันเป็นอารมณ์สมถะแต่ น, นี้เรารู้เห็นชัดและก็รับรู้ตัวอารมณ์ที่เป็นเกี่ยวข้องกับรูปกับนามไปในตัวไม่ได้ปฏิเสธหรือไม่ได้เข้าไปผลักดั น, นออกให้รับรู้เป็นกลางกลางนะเพราะในขณะที่เราดูภาวะจิตโลง่ลงโปร่งเบาสบายลึกประณีต แต่จิตส่วนหนึ่งก็ยังรับรู้ต่อรูปนามคือมีเวทนามีหนักมีหน่วงมีทวงมีทับมีเข่งมีตึงมีไหวก็ยังรับรู้ได้อยู่ไม่ถึงกับปฏิเสธตรง น, นี้เรียกว่าตัวอารมณ์ที่เป็นปรมัติแต่ว่าอาการเหล่านี้เป็นเพียงอาการเราไม่ได้ไปสร้างตัวรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบในสิ่งที่ปรากฏแต่รู้เห็นอาการเหล่านี้แล้วก็พยายามเข้าไป ซักซอมเฝ้าดูจิตเสพคุณอารมณ์นี้หลวงพ่อเห็นท่านจะว่าเข้าไปคุกคีนะเข้าไปคุกคีคือให้จิตเนี่ยเข้าไปคุกคีกับอารมณ์แบบเนี้แต่ไม่ใช่เป็นการเสพคําว่าเสพกับคุกคี่นี่ต่างกันคุกขี่หมายว่าเขาดูทั่วๆรอบๆแต่เสพหมายวาเขาเข้าไปยึดเฉพาะ <c oughs> อ่าเบี <c oughs> ย่ยดเฉพาะจิตที่มันชอบนะเช่นจิตชอบสงบจิตชอบเยือกเย็นจิตชอบ ความปนิตรความตรงแล้วจิตก็จะไปยึด เ, เฉพาะจุดนั้นนี่เรียกว่าเศษเดี๋ยว่าบูกคุณคิดไหมเขาว่าเข้าไปรู้โดยทั่วทั่วอาการของรูปนามมีอย่างไรก็รับรู้เฉยๆอาการของจิตเป็นอย่างไรสงบหรือไม่สงบก็เข้าไปรับรู้เฉยๆแต่พยายามดูว่าถ้ามันมีอะไร ปรากฏขึ้นมาในจิตเป็นความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบเนะี่ยให้ดูลงไปชัดๆก็เห็นอาการชัดๆแล้วอาการเหล่านั้นก็จะหายไปอาการชอบหรือไม่ชอบอาการหนักหน่วงทรงทับอาการไม่ไม่สบายก็จะหายไปนะทีนี้เมื่อให้ซักซ้อมดูอย่างนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าเนื่องจากว่าตัวสติที่เข้าไปรับรู้อันนี้มันก็ยังไม่คงที่นะเพราะมันมีการเกิดดับอยู่ในตัว ดังนั้นพอระยะยาวไปมันก็จะมีนามารูปปรากฏเพราะมันมีการกระทบตลอดเวลาใช่ั้ยตาก็ยังเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกก็ได้จมูกรถในใ น, ในอายัตนาในส่วนที่มันไม่ค่อยสัมผัสบ่อยๆเท่าไหรนะ่นั้นก็จะมีะกลิ่นกับรถกลิ่นกับรถจะปรากฏต่เมื่อเราไปดื่มไปเสพไปกิน แต่ในช่วงที่เราไม่ได้ดื่มไม่ดือย่างนี้อาการที่กระทบสัมผัสก็มีรูปกับเสียงแล้วก็มีสัมผัสเย่นแล้วนอนแข็งเท่งตึ ง, ง, งแล้วก็การรับรู้อารมณ์ก็จะมีสี่ตัวสองตัวนั้นนะมันก็จะไม่ค่อยชัดในกลิ่นและในรสไม่ชัดแต่สี่ตัวนี้มันจะสลับกันเข้ามาเสมอคือรูปเวลาเราลืมตาเราก็เห็นเสียงเวลาได้ฟังเราก็ได้ยิน แล้วก็สัมผัสคือเย็นร้อนอ่อนแข็งแข็งตึงที่มากระทบร่างกายและตัวอารมณ์คือตัวรู้สึกสบายหรือไม่สบายหรือเฉยเฉยเราได้สัมผัสอยู่เสมอนะเมื่อเป็นอย่างนั้นเราจเจริญสติเพื่อเฝ้ารู้อย่างนี้โดยอตอกย้ําชัดเจนเสมอเสมอแล้วก็ไม่ยึดนะทีนี้ปกติของมันก็คือจะมีการเกิดขึ้นของอารมณ์ ความพอใจไม่พอใจความสงบความรู้สึกเฉยๆหรือความรู้สึกชอบไม่ชอบก็เป็นอารมณ์เข้ามาก็เฝ้าดูมันไปไม่ปฏิเสธเมื่อมันมั น, ม, นมันเป็นธรรมชาติของมันมันต้องเกิดเป็นปกติของมันเกิดดับแกเราเข้าไปรู้ต่อการเกิดขึ้นและการดับไปของอารมณ์เหล่านี้ชัดๆไว้เสมอซึ่งเป็นปกติของมันถ้ามันสงบตลอดก็ผิดปกติถ้ามันฟุ้งซ่านตลอดก็ผิดปกติ ถ้ามันคิดตลอดก็ผิดปกติถ้ามันสุบตลอดก็ถือว่าผิดปกติแต่ถ้ามันสลับกันสุบบ้างทุกบ้างสงบบ้างมสสลับกันอันนี้ถือว่าเป็นปกติของมั น, ป ก, มนปกติของการเกิดดับใช่ไมอันนี้ถือว่าปกติของมันแต่ว่านักปฏิบัติที่ไม่เข้าใจาวิปัสสนาพอเห็นในส่วนไหนที่มันเป็นส่วนที่ชอบเราก็พยายามรักษาจุดนั้นให้นานที่สุดอันนี้ไปยึดแหละ หรือถ้าว่ามีตัวอารมณ์ฟุง้งซ่านทวคิดขึ้นมาจะโดยตั้งใจคิดหรือไม่ตั้งใจคิดก็ตามเราก็เข้าไปอินเข้าไปเสพอันนั้นอันนี้ก็ถือว่าผิดปกติล่ะเพราะอะไรเพราะเราไม่เห็นแต่ที่ตัวปกติมันก็คือมันสลับกันเกิดกันดับอยู่นั่นแหละเดี๋ยวนั้นมาแต่ตัวที่อเราทําขึ้นมาก็คือตัวสติที่ตัวผู้รู้เนี่ยต้องแยกออกมาจากเหมือนกับไอ โค้ดอ่ะนะพี่เลี้ยงที่อยู่นอกสนามไอตัวเล่นนี่คือตัวนักฟุตบอลตัวนักกีฬาเนี่ยมันเล่นของมันตามปกติแต่ไอตัวโค้ดได้คอยเฝ้าดูว่าตัวไหนควรจะทําอะไรนะแล้วก็สั่งออกไปตัวสติหรือตัวปัญญานี่คือตัวเฝ้าดูไอตัวอารมณ์ต่างๆที่สลับกันเข้าสลับกันออกเนี่ยก็เหมือนตัวนักเล่นนักฟุตบอลทําตามหน้าที่ของมันนะนะซึ่งถ้าหากว่าไอ นักฟุตบอลพวกนั้นมันหยุดเล่นกันเฉยๆเนะี่ยถือว่าปกติไหมไม่ปกติหรือมันเล่นกันแบบไม่หยุดก็ถือว่าผิดปกติแต่มันเล่นไปตามเกมที่โค้ดสั่งนะอันนี้ก็ถือว่าคุมเกมได้แต่ในกรณีที่มันไม่มีโค้ดไม่มีกรรมการนักเล่นมันจะเล่นไปได้ไหมไม่ได้มั่วเลยว่าเนี่ยนะตัวสติเนี่ยมันเป็นโค้ดเป็นกรรมการในสนาม เราก็ต้องมาให้สติตัวเนี้ปัญญาตัวนี้ให้เข้มแข็งไว้เสมอเพื่อจะไปตัดสินอะไรต่างๆที่มันกำลังเข้ามาแต่ในกรณีที่บางครั้งไม่มีการแข่งขันสนามมันว่างใช่หมโดยปกติเนี่ยการแข่งขันมันก็จะมีเป็นบางช่วงบางข่าวแต่ส่วนใหญ่นั้นสนามมันว่างเสมอเข้าใจไหมอ่าไม่ได้หมายว่าสนามมันจะเป็นที่แข่งขันได้ตลอดเวลานะ มันนัดกันเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่ในช่วงที่มันยังไม่สนามมันก็ว่างได้ทั้งวันเหมือนกันจิตของเราเหมือนกันในช่วงไหนอารมณ์อะไรเข้ามาก็ก็จัดการไปไปตามเกมแต่สนามจิตเนี่ยมันไม่ว่างนานเหมือนสนามฟุตบอลหรอกนะ <c oughs> ใช่ไหมเดี๋ยวพบเข้าแว็บบอกแต่เราพยายามที่จะให้ภาวะจิตเนี่ยมันมันว่างอย่างนั้นโดยตลอดนะมาให้มันวุ่นโดยว่าจําเป็น มันจะวุ่นแต่ว่ามีมีอะไรผ่านเข้ามาเพราะนะัไอ้ความวุ่นเหล่านี้มันก็จริงมีในช่วงที่ถ้ามันเข้ามาเล่นใครเข้ามาเล่นในสนามโดยที่ไม่มีการแข่งขันเนี่ยตรงนี้เป็นยังไ ง, ไงถือว่าผิดกติกาแล้วเพราะสนามนี่มีเจ้าของใช่ไหมแล้วคุณเข้ามาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนี่ถือว่าผิดเหมือนกันไะอ้ความคิดบางอย่างมันขึ้นมาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะจับนั้นนี่นี่ปุงนัง่นนี่ไป แล้วก็ไม่มีกรรมการด้วยขนาดนั้นนะตรงนี้คือสิ่งที่ต้องระวังอ่าตรงนี้คือตัวปัญหาแต่ในกรณีที่ว่าคอยมีกรรมการคอยดูแลอยู่คอยรักษากรรไกรอยู่แล้วก็มีผู้เล่นตามเกมตามอะไรก็คือจิตก็ปกตินั่นแหละหมายความว่ามันมีการเกิดดับมีการคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างแต่คอยเฝ้าดูมันแต่บางครั้งรู้สึกว่าเออมันจบเกมแล้วนะคือลือไปเลยแต่จิตของเราไม่อย่างงั้นบางทีจบเกมแล้วมันไม่จบ หาเรื่องเล่นเลอะเทอะต่อไปเลย น, นั่นเพราะอะไรเพราะกรรมการผู้รักษาสนามไม่เด็ดขาดเข้าใจไหมให้ให้เห็นภาพอย่างนี้ให้ชัดก่อนจิตเราก็เหมือนกันถ้าสติสมญะเราเข้มแข็งคือกรรมการดูแลจิตเนี่ยเข้มแข็งแล้วอารมณ์ต่างๆที่มาเนี่ยมันนักเล่น จะเป็นคิดบางคิดมากบางคิดน้อยบางคิดดีบางคิดชั่วบางคิดผ่านไปบางคิดมีสติในการทั้งใจที่จะคิดว่าวันนี้จะไปส่งลูกไปเรียนนะวันนี้จะไปทํางานนะอันนี้ล้วนแต่นักเล่นทั้งนั้นเลยฮะเราก็จัดการตามเกมพอจัดการเสร็จก็จบไปแล้วก็สนามก็ว่างอ่ะสักพักหนึ่งตรงนี้ต้องดูให้ดีนะ สักพักห น, นูมีอารมณ์นั้นแพ๊บเข้ามาแพ๊บเข้ามาลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมดาบางครั้งสนามบ้างๆเขาคนเขาไปเดินเล่นบ้างเนาะพาหมาไปวิ่งบ้างพาออกไปแอคเซสซายบ้าง <c oughs> ก็ถือว่าอันนี้ไม่ไม่ได้เป็นสิ่งพิเศษอะไรถือว่าคุณเขาไปใช้สนามใจของเราเหมือนกันในการที่อารมณ์ผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นปกติเขาเรียกทำ ม, มาลมุมใช่ไหม ในสนามสาธารณะเนี่ยมีคนเดินผ่านไปก็ถือว่าลักษณะบางครั้งมันก็เป็นสนามแบบสนามสาธารณะคนเขาไปเดินเล่นจิตของเราบางครั้งมันอารมณ์ผ่านไปผ่านมาโดยที่ไม่แต่ให้สติรับรู้อยู่ไม่จําเป็นจะต้องปัดสลัดมันทิ้งไว้หมดไม่ใช่ก็ต้องอนุญาตให้เขาได้เล่นบ้างเพื่ผ่อนคลายผ่านมาก็ผ่านไปเพราะมีการกระทบตลอดเวลาเนี่ยใช่ไหมไม่ให้เขามีอะไรผ่านเข้ามาในใจมันเป็นไปไม่ได้ เพราะการกระทบตามหูจะบุริการมีตลอดเวลาเพราะนั้นก็จะต้องมีอารมณ์เข้ามาแต่ว่ามันเป็นอารมณ์ที่ลักษณะนี้มาแล้วผ่านไปมาแล้วผ่านไปลักษณะนี้เป็นธรรมารม์ถือว่าเป็นปกติว่าจิตมันจะมีอารมณ์เป็นที่อยู่ในกรณีที่จิตมันว่างไม่มีอะไรเลยมันเป็นพิเศษเฉพาะบางคราวเท่านั้นไม่ใช่ปกติของมันนะทีนี้เอาละ่ะอันที่หนึ่งนะที่มันเข้ามาแล้วก็ผ่านไปเรียกว่าธรรมารมณ์ มันคนมาเดินเล่นผ่อนคลายในสนามแล้วกลับไปอันนี้ไม่จําเป็นต้องมีกรรมการอะไรนะเป็นธรรมชาติของมันละทีนี้อันที่สองมันผ่านมาแล้วไม่ผ่านไปนะให้เขามาตั้งวงเลากันกลางสนามเลยทียนี้เนะ <c oughs> ี่ยแทนที่จะมาลีเล็กแล้วเดินกลับบ้านไป น, นี่ถือเอาหิว้วอส้มตำไก่ย่างเรามา น, นั่งโจ้กันนั้นเลยนะ ที่ไอ้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็ช็คลมผานไอ้สนามมีสามนำ้ำสามนามสาธารณะมากินมาเล่นกันนี่วุ่วายอันนี้ผ่านมาแล้วไม่ผ่านไปความคิดนี้เรียกว่าสังขารตัวนี้เป็นเหตุของทุกสังขารคือหมายความว่าเรื่องใดเรื่องปุดขึ้นมาแล้วเอ๊ะวันนี้เราจะเอายังไงนะจะกลับหรือไม่กลับดีเสียดายงานก็จะทำอ่ะจะเอานี่ชักเป็นเรื่องอลไรใช่ไหมเออเกิดการขัดแย้งเกิดกันโต้แย้งกันแล้วก็จะกลับหรือกลับตอนไหนดีหรือจะต่อไปอีกสองสาเกิด มีการเถียงกันขึ้นมาแล้วตรงนี้คือตัวสังขารเหตุให้เกิดทุกต้องระวังหรือบางทีเราอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยการทําครัวทํานั้นทงนี้ได้เกิดได้ยินคําพูดอะไรไม่ถูกขอกันขัดใจขึ้นมาเอามาคิดบ่อยๆนี่เป็นปัญหานี่เป็นสังขารตัวนี้เป็นเหตุของทุกเป็นสมุทยัยอันนี้นา ม, มารูปประเภทที่สองนะนา ม, มารูปประเภทที่หนึ่งเรียกว่าธรรมาลม คือผ่านมาแล้วก็ผ่านไปตัวนี้ไม่เป็นปัญหาเพราะเป็นที่อยู่ของจิตอันที่สองผ่านมาแล้วไม่ผ่านไปคือมีปัญหาเกิดขึ้นกระทบแล้วไม่ผ่านอันที่สา ม, อมโอ้มันได้ทําดีทอกหลายวันนะวันนี้จะต้องตั้งทำดีทอกหน่อยก็แผนทีเดียวนะเออจากที่นี้กไปเดี๋ยวไปต้มกาแฟสลัดไปเสร็จจบลักษณะนี้เรียกว่ามีสติในการคิดตัวนี้เป็นปัญญาแผนเอาไว้ว่าจะทําแล้วมันจบ อันนี้ความคิดนี้เป็นปัญญาเพราะฉะนั้นในตัวนามนามรูปมีสามประเภทประเภทที่หนึ่งเรียกว่าธรรมารุมอันนี้ไม่มีปัญหาเป็นที่อยู่ขอจิตประเภทที่สองเรียกว่าสังขารคือสมุ ท, ทยัยสร้างปัญหาอย่างที่ว่าเมื่อกี้ประเภทที่สามเจตนาคิดตรงนี้เป็นปัญญาอ่าออกลับไปนี่ไปทำโน่นทำนี่แล้วก็จบนะ แต่ถ้ามันมันจบมันเรื่อยชื้ยเผยแผ่ไปมันกลับมาปเปิดเป๊ะที่สองเห็นไหมอันที่ต้องต้องมีด้วยสติกํากับว่าเ อ, อวันนี้เราเลือกไปนี้จะไปทำอะไรนั้ น, น, นคิดแค่แป๊บเดียวนะ่ะแล้วก็จบมันไม่ได้อาศัายเวลาอะไรมากนะแต่ในกรณีที่มันนํามารีพีดใหมย่ย้ําคิดย้ําทําใหม่ดูนี้มันกลายไ ป, ไปเปิดเป๊ะที่สองแล้วสังเกตไหมมาสังเกตเพราะฉะนั้นในการเจริญวิปัสสนาแบบนี้ต้องชัดทุกเรื่องนะไม่มั่วไม่ได้เลย แต่ส่วนใหญ่มันมั่วมันถึงไม่เห็นความก้าวหน้าก้าวหลังชัดเจนอยเงี้ยจะไปสื่อความหมายกับคนก็รู้เรื่องบางไม่รู้เรื่องบางเพราะอะไรตัวเองไม่เคยดูตรงนี้ชัดชัดแต่เนื่องจากอรตมามีประสบการณ์ตรงนี้เพราะอะไรเพราะมันมันใช้เวลานานลเลคือเดี๋ยวทำไมฉันปฏิบัติพุทธเจ้ามันบอกว่าแค่เจดปีมันต้องรู้นะระดับใดระดับหนึ่งถ้าคุณไม่เป็นพระร า, าคุณก็เป็นพระ น, คนาค า, ามีอเจ็ดปีถ้าคุณทําถูกต้องที่เดียวทำมาสิบกว่าปีมันยังไม่เป็นอะไรเลยอ่ะมันเพราะอะไรตรงนี้แหละเอามาเลยตั้ง ใหญ่ที่จะศึกษาอย่างจริงจังอ๋อเป็นอย่างนี้เองเพราะขาดอะไรที่ว่าเมาื่อวานโยนิโสมนสีการขาดโยนิโสมันคือขาดความเยบขายขาดความถีถ่ทุนในพุทธศาสนาในคําสอนพระพุทธเจ้าจะเป็นเกณฑ์สําคัญเลยโยนิโสมนสีการนอกจากเรื่องของกิริยานะมิตกริรยาสหายว่ามาแล้วเนะี่ยแต่โยนิโสของเราเนี่ยต้องเอาไว้ก่อนกิยามิตกิริยาใ น, นสหายหรือสี่งแวดล้อมหาไม่ยาก แต่โยนิโสเนี่ยถ้ามันไม่เป็นนิสัยเดิมของเรานะ่ยยากมากเราต้องฝึกแล้วฝึกอีกส่วนใหญ่เราเป็นผู้ดูชนจิตใจมันก็กิเลส น, นะตัณหายาบเหมือนกันทุกคนใช่ไหมแต่การที่จะให้มันมาเป็นความแยบคลายความปราณีตความชัดเจนเนี่ยต้องฝึกแล้วฝึกอีกอต้องฝึกแล้วฝึกอีกต้องใจเจตนาฝึกด้วยนะไม่มัว่วอย่างที่ว่าไม่ได้บทมาหรือปฏิบัติมา หปีเปีสิปียีปีก็ยังโกรูดเหมือนเดิมยังเกลียดเหมือนเดิมยังเห็นแก่ตัวเหมือนเดิมยังเล่าร้อนเหมือนเดิมเนี่ยแสดงว่าเราปฏิบัตมิมั่วๆมาตลอดมันก็พึ่งไม่ได้สนิทหรอกนะดังนั้นกลับมาตรงนี้ว่านา ม, มารูปมีอยู่สามประเภทประเภทแรกคืออารมณ์ที่ผ่านมาผ่านไปอันนี้ไม่เป็นอันตรายเพราะพระพุทเจ้านั้นตัดสรู้ในอารมณ์ไม่ได้ตัดสรู้ใบบังคับจิตแบบพราหมณ์แบบฤๅษี พรท่านเคยผ่านมาแล้วก็าเคยไปฝึกกับอุทธการด้านบทอาราสด้านบทสงบจิตจนกระทั่งว่าจิตละเอียดประณีจนเป็นรีดเป็นเด็ดเป็นชาญปฏิหารอะไรได้หมดแต่ถามว่าเป็ น, เ ป, นเป็นทางไหมเป็นทางแต่สรุปไม่ใช่ทางท่านก็เลิกยไงไงท่านทามาแล้วดังนะั้นอะไอการที่จะสะกดจิตไม่ให้มันคิดเนะี่ยทําได้แต่ว่ามันไม่มีประโยชน์เพราะอะไรเพราะชีวิตในความเปจริงมันไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นตลอดมันจะต้องไปสัมผัสสัมพันธ์มันมีการกระทบ แต่เราจะไปดีลไปเกี่ยวข้องกับไอ้ภาวะที่มากระทบแล้วมันเกิดเป็นนามรูปนี่อย่างไรตรงนี้ต่างหากที่พระพุทธเจ้าทัศนรู้ท่านั้านมาเห็นว่าในตัวธรรมารมณ์คือตัวอารมณ์ที่มากระทบแล้วผ่านเข้ามาในสนามของจิตเนี่ยเป็นปกติให้รับรู้นะแต่ถ้าไม่รับรู้มันก่อให้เกิดตัวที่ใดตัวที่สองใช่คือกลายเป็นสังขารตั้งวงคิดกันเลยทีนี้ แล้วก็บางครั้งเราจําเป็นต้องใช้ความคิดเนี่ยความคิดที่ใช้อย่างมีสติก็เราก็เรียกว่าปัญญาเราใช้แบบขาดสติเราเรียกว่าสังขารแต่เฝ้าดูโดยปกติของจิตก็เรียกว่าธรรมารมให้เห็นสามอย่างให้ชัดนะเสร็จแล้วเราจะเมื่อชํชนานิชํานาญในเกมนี้แล้วเนี่ย เราต้องการที่ให้จิตอยู่แบบไหนเราต้องการได้บางครั้งต้องการทําให้จิตว่างก็ทําได้ใช่ไหมบางครั้งจะให้รับรู้อารมณ์ผ่านไปพอมากเราก็ทําได้บางครั้งนึกสนุกเอาเรื่องนั้นมาคิดเล่นๆดูว่าก็ยังได้พราะเรารู้ว่าเราจัดการมันได้ใช่ไหมเหมือนกับไฟอ่ะถ้ามันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุอันตรายใช่ไหมแต่ถ้าเราเจตนาจะหุงจะต้มกดป๊อบแป๊บขึ้นมาตามเวลาที่ต้อง ก, การแล้วก็ปิดเป็นประโยชน์ เพราะนั้นตัวสังขารนี่เหมือนกันถ้าสมมุติใช้มันอย่างถูกกาลเทศะแล้วจบเป็นตัวสังขารนี่เองกลายเป็นปัญญาตัวตันหานั่นเองกลายเป็นธรรมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไปไปไปพิจารณาให้ชัดแล้วการปฏิบัติของเรามันจะเห็นความก้าวหน้าที่ชัดเจนเอามาก็บางครั้งมาก็แปลกใจว่าสิ่งที่มาพูดมาตลอดเนี่ยแต่ไปไปสํารวจคนที่จะเห็นเข้าใจชัดเจนค่อนข้างจะช้าและยาก เพราะอะไรหนึ่งศรัทธาเขาไม่พอสองความเพียรเขาไม่พอไอสิ่งที่เรานําเสนอชี้แนแนวจริย์ชัดเจนขนาดไหนก็ไม่เวิร์กเพราะศรัทธาที่จะทํามันไม่พอความเพียรไม่พอแล้วที่สําคัญคือความแยบคายไม่พอตัวนี้คือตัวปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติตอนนั้นยกความแยบคายเนี่ยมาถึงบอกว่าให้เริ่มต้นไปจากรูปนามเพราะอะไรมันง่ายใช่ไหม การจะลุกจะนั่งจะยั่งจะเดินเห็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งเอามาชี้แจงมาบทแจ้งแจงแล้วเมื่อวานเนะี่ยว่าลุกขึ้นเนี่ยมันความรู้สึกเป็นยังไงนั่งไปเและอย่างความรู้สึกมันพัฒนาตัวไป็นยังไงเวลาเปลี่ยนเยีย บ, บทแล้วความรู้สึกแรกที่เปลี่ยนไปความรู้สึกให้แยบคลายในสิ่งเหล่านี้ก่อนแต่ถ้าหากว่าจะคนบางคนที่มีความตั้งใจเพื่แยบคลายไปจนถึงการกินการดื่มการหลับ การนอนการเข้าวของน้ําว่าด้วยเรื่องสัพปชัญญะที่ว่ามาวันก่อนนะใช่ไหมนั่นคือความวิธีการให้แยบคายถ้าเราไม่ละเอียดถี่ถ้วนในสิ่งเหล่านี้แนละ้วเราจะพัฒนาความแยบคลายกับจิตได้ยังไงเป็นไปไม่ได้จากหยาบเรายังทําไม่ได้เลย ล, ละเอียด อ, ะอ่ะมันจะทําได้อย่างไรนะดังนั้นเองในวิธีการของวิปัสสนาเนี่ะจะไม่ถือเอาวัดปฏิบัติอะไรที่มันเป็น พิเศษแบบสมรถรถ้าคุณไหนไปนิยมทําวัดปฏิบัติการไม่พูดไม่กินไม่ดื่มไม่เล่นไม่อะไรอันนั้นเป็นสมรถรแต่จําเป็นสําหรับผู้ใหม่ที่จะต้องปราบมีไสยหยาบหยาของตัวเองก็ดีแต่ให้รู้เป้าหมายว่าเราทําเพื่ออะไรนะทําไว้เพื่อที่จะปราบกิเลสหยาบหยาของตัวเองเพื่อเหมือนกับลูกอะถ้ามันดื้อมันด้านมันไม่เชื่อไม่ฟังแลนะพ่อแม่ก็ต้องลงมืออะไรใช่ไหมเขีนยนตีให้มันเข็ดลาบ จิตของเราเหมือนกันถ้ามันยชุกซนมันยังแข็งกระด้างอยู่ก็ใช้ตัวเวทนาเดีวนี้เขาเป็นไม่ไม่เร็วที่จะเขีื่อนจิตให้มันหลับมันจำํำพอเขาสงบเขาหลับเขาจาแล้วก็ไม่จําเป็นต้องตีขเาขาแล้วเขาเชื่อฟังแล้วใช่ไหมเด็กมันมันเชื่อฟังแล้วก็ฝึกเขาต่อไปจิตของเราเหมือนกันในเมื่อเขาหายลาายยาาย้านหายหยาบหายฟุ้งซ่านหายดื้อด้านหาย ฟ, าฟื้นอะไรต่างแล้วเราก็มาพัฒนาในส่วนละเอียดต่อไป เพราะฉะนั้นในตัวสมถานนั้นเหมือนเนื้อตัวฝึกให้จิตหายหยากเท่านั้นเองเพอจิตละเอียดแล้วนําไปสู่ตัววิปัสนาได้เลยนี่คือสิ่งที่เราจะต้องรู้เป้าหมายของการกระทาทั้งสมถะและวิปัสนาถ้าไม่รู้เป้าหมายของการกรนะทาเนี่ยโอ้มันเะป็นปการสุดตรงนะสุดตรงเราจะเห็นไหมทั้นนั้นเรื่องเหล่านี้มานะี่โอ้ การตตะสู้ของพระเจ้าเป็นคุณอุปการต่อมนุษยชาติอย่างมหาศาลแต่ว่าถ้ามันไม่เริ่มต้นด้วยศรัทธาและความเพียรแล้วเนี่ยการตตะสู่ของพระเจ้าจะวิเศษขนาดไหนไม่มีประโยชน์เลยเพราะเหมือนกับเรามีเมล็ดพืชเนี่ยเราจะหว่านเราจะปลูกนะถ้าเราไม่เตรียมดินเตรียมพื้นที่ก่อนเนี่ยเมล็ดพืชที่หว่านที่ปลูกไปมี ม, มีการเติบโตไหม มันเติบโตแต่ไม่เป็นระเบียบหรือบางทีมแมลงแมงมดเอาไปกินหมดบทีเสียหายเพราะนั้นเบื้องต้นเนี่ยมันจะต้องเลือกที่ต้องเลือกดิน ต, ต้องเลือกอากาศต้องเลือกน้ำเหมาะสมตรงนี้คือเป็นหน้าที่ของศรัทธาและความเพียรอีการเตรียมพร้อมอ่อาการเตรียมพร้อมเมื่อราวานคือความตั้งใจทํำของเราลงไปปั๊บเนี่ยมันก็เวิร์กเหมือนกับที่เตรียมพร้อมแล้วเมื่อวานพืชลงไปมันก็งอกงามใช่ไหมแล้วก็ปลอดภยัยดังนั้นเอง การแตดสรู้ของพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่อเราจึงโชคดีที่สุดไงมาพบคําสอนของท่านในศาสนาอื่นเพราะเกิดมาร้อยวันพันชาติจะไปพบในศาสนาอื่นไม่มีทางเลยมันเคยทุกข์เวียนไหวได้เกิดอยู่อย่างนั้นแต่โชคดีตรงมาพบคําสอนของพระเจ้าแล้วมาได้เข้าใจแล้วทําได้ถูกต้องด้วยเนี่ยมันวิเศษละเพวัะ น, นั้นเราไม่เสียชาติเกิดในการที่จะมา ศึกษาและสมัครานผู้ศาสนาในมิตินี้แต่เราก็ต้องทุบทุนอยู่เสมอว่าเบื้องต้นเรามีศรัทธามากพอไหมที่จะดูรูปดูนามอย่างละเอียดมีศรัทธามากพอไหมที่จะเข้าไปดูในรายละเอียดของกายของจิตโดยแยบคายมีศรัทธาและความเพียรมากพอไหมที่จะเข้าไปเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อ น, น, น, นไหวของจิตตลอดเวลาว่ามันเป็นอย่างไร ถ้าเราตอกย้ํารู้อยู่เงี้ยมันดูดุขี่ทุกวันทุกเวลามันจะหายไปไหนใช่ไหมเหมือนเราท่องน้ํโมอ่ะท่องมันสิวันนี้สิวันไม่จําให้มารู้ไปดิทีนี้เราดูอาการอะที่มันเกิดขึ้นซ้ำซากทุกทุกวันให้มันดูซ้ำซากแล้วมันไม่แจ่มแจ้งก็ให้มันรู้ไปแต่ทําไมเราไม่แจ่มแจ้งเพราะว่าอาวิชชาคือความหลงลืมที่เป็นนิสัยเก่าเดิมของเราเนี่ยมันมาครอบงําช่จุน เราไม่เห็นความสําคันของสิ่งเหล่านี้ชีวิตของเราก็ไม่เย็นไม่สนิทไม่ปานีดไม่ลึกซึ้งไม่สงบลึกเท่าที่ควรถ้าเราทำสิ่งนี้ไม่ได้อาการไอเล่งต่างโรคกูโหลมมันก็อาศัยการหยับความหยากของจิตเกิดใช่ไหมแต่ใ น, นเมื่อจิตของเราละเอียดประณีตแล้วโรคปูหลุมมันเกิดไม่ได้โดยธรรมชาติของมันนะดังนั้นเองสิ่งเหล่านี้ ก, ก็ก็เหมือนกับใบบัวใช่ไม ใบบัวมันละเอียดประนีใช่ไหมเวลาฝนที่ตรงตรงลงไปมันติดไหมไม่ติดเนี่ยธรรมชาติที่เราเห็นได้ที่เป็นรูปธรรมจิตของเราถ้ามันประณีดมันละเอียดมันเกลี้ยงเก่าเนี่ยอารมณ์ต่างๆที่ตกมากระทบมันค้งอะไมันซึมซับได้ไหมไม่ได้มันเป็นธรรมชาติของมันทีนี้ไอการที่เราจะไปดูจิตที่มันละเอียดประณีดเนี่ยต้องไม่ใช่ไปบังคับไปสะกดแต่ดูด้วยความเข้าใจ แต่ถ้าเป็นละที่ศาสนาของฤาษีชีพายคือไปบังคับไปกําหนดไปจุดจ้องไปบีบจิตมันก็ถูกสะกดมันสงบได้ก็จริงแต่ด้วยอํานาจของสมาธิที่เป็นมิจฉาสมาธิมันไม่ใช่สมมาสมาธิเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้อามาจึงไม่อยากให้ทําเล่นๆ เ, เพราะชีวิตมันได้ผ่านไปจริงๆเอาคืนมาไม่ได้ใช่ไหมแล้วเ ร, เราก็ได้ทุกไปจริงๆ ได้ทุกกเิเลสบทได้ทุกกะโกไภัยไข้เจ็บได้สูญเสียจริงๆแต่ว่าตัววิปัสสนากรรมฐานที่พระองค์ค้นพบเนี่ยเป็นตัวที่เข้าไปบำบัดไปแก้ไขไปรักษาสิ่งเหล่านี้ให้ให้ดีที่เรียกว่าพุทธโอสุธรธมโอสถสังคโอสถแต่ว่าทำไมจึงไม่เวิร์กเท่าที่ควรก็ขาดองค์ประกอบสังาการต่อย้ำเสมอองค์ประกอบสังกัดยมจาไว้ในใจเลย โยมสุวนาจำได้เลยอย่างองค์ประกอบที่สำคัญสองประการคืออนีน่หนเห็นไหมจำไม่ได้ล่ะโยมสุวรรณาองค์ประกอบอหลักๆที่พูดม า, าแท้มไม่ไม่เอามากําลัง<ส>ทางว่าองค์ประกอบสองประการที่สาคัญเนี่ยคืออะไรจาได้หมองค์ประกอบที่สำคัญคือมีอ่าสติวิริยะใช่ปะอ่าโยมทั้งส่วนโยมลืมหมดเลยเห็นไหม องค์ประกอบเอ่ยอ้างถึงทุกวันคือหนึ่ ง, ก า, างาการัญามิตรสองโยนิโสมณัสสิการใช่ไหมคือว่าไปแบบ่มๆนี่แหละนี่แสิ่งที่องค์ประกอบ อ, องค์ประกอบที่หลักสําคัญที่สติสมาธิปัญญาเขาก็จะตั้งมั่นเนี่ยองค์ประกอบสองประการคือกรารัามิตรกับโยนิโสมณัสิการอเอาสองอย่างเนี่ยไปพิจารณาให้ดีแต่การัญามิตรองค์ประกอบการัามิตรต้อมี องค์ประกอบรองอีกสองงานคือกิริยาณนสายแล้วก็สิ่งแวดล้อมในนามของกิริยาในวิทยนะแต่แยกออกไปอีกสององค์ประกอบคือมีเพื่อนดีมีวิสยัยเพื่อนดีก็หมายว่ามีครูบาอาจารย์ที่รู้จริงเห็นจริงมาบอกกับเรามีสหายดีคือเพื่อนนักปฏิบัติร่วมร่วมกันเนี่ยแชร์กันได้เรื่องเดียวกันได้เข้าใจกันได้ไม่ขัดแยง้งไม่อเกนึ่งกันอะไรกันเห็นไปด้วยกันไปทางเดียวกันเรื่องกิริยาณนสาย และก็สิ่งแวดล้อมที่ดีก็คือเรามาสู่ที่วัดเราต้องการสิ่งแวดล้อมที่ดีเท่านั้นนะความจริงเราทําที่บ้านก็ได้แต่ว่าสิ่งแวดล้อมที่วัดที่เป็นกายาณสัมปวังกต า, ามีความสงบมีกายา น, นมิตรแล้วก็มีข้อจํากัดอะไรอย่างที่คอยปก ป, ป้องเราไม่ให้เรามีอะไรมารบ ก, กวนนี่เขาเรียกกายาณสัมปวังกต า, าเป็นองค์ประกอบเหตุใกล้ให้เกิดตัวที่สองคือโยนิสูรมนุษย์กาลยานิสูรมนุิยกาลก็แบ่งเป็น ความจริงใ น, ในหลักวิชายโยนิสุขท่านแบ่งไว้ถึงสิบระดับนะเอามาไม่ต้องนํามาแยกแยกตรงนี้มันเสียเวลาเอาว่าแค่ย่อแค่สองระดับคือโยนิสุบันดาสิการในเรื่องของรูปนามนะในเรื่องของกายกับเวธนาที่มาว่ า, วาไว้สามตอนเมื่วานคื อ, อยา ก, กลางละเอียดแล้วก็โยนิสุบันดาการของเรื่องของนามรูปก็ ค, คือภาวะภาวะจิตสามระดับเมื่อกี้ก็คือเรื่องธรรมรงเรื่องสังขารและเรื่องของปัญญา ถ้าเราแยกคลายในสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยองสองสองค์ประกอบเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านต่ว่าเป็นบุพพนิมิตแห่งอริยมรรคท่านตรัสไว้เลยนะแต่ภาษาตำราท่า่ยใช้คําว่าปารโตโคสะกับโยนิโสมณิิกานนั่นภาษาตำราเราก็มาแปลอีกนิดหนึ่งว่าเป็นกัลยาณมิตรและโยนิโสมุมริิกานแปลเป็นไทยว่าคือครูบาอาจารย์สิ่งแวดล้อมมิสหายและความละเอียดถี่ทุนของเราเองแล้วสอบถามไปไหน เอาัทธาก็อยู่ในอันสองงานนี่แหละศรัทธาเป็น ต, ตัวตัวทำสองอย่างให้ชัดเจนศรัทธาและความเพียรเป็นตัวช่วยให้องสองหมายความคุณจะทำทั้งหมดลองเลยไหมว่าสตประธานสีสมัประธานสี่ยี่ปีสี่อีซีห้าพระห้าเนี่ยมันสนับสนุนสองตัวนี้ให้มันเวิร์กไงนะเป็นเป็นหัวหน้าเป็นหัวขบวนเลยท่นบอกว่าอะไรมักมีองค์แปดจะเจริญได้ด้วยอาศัยองค์ประกอบสองประการ ก็ความจริงทั้งรายละเอียดก็คือห้าประการนั่นแหละคืออะไรเพราะในกลุ่มกระเดียไม่ใช่สามใช่ไหมแล้วก็โยน 3, โสูงมนตรการที่สิบห้าโดย้ําไปในโยนสูงมนตการในรายละเอียดเป็นสิบแต่ว่าไม่ต้องยกมาเพราะมันละเอียดเกินเอาแค่ว่าเราเข้าใจได้ตรงนี้ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นจุดนี้มาถึงไม่อยากจะให้พลาดในรายละเอียดเพราะเรามีเวลาที่จะมาฤที่นี้ไม่ใช่ง่ายเลยสําหรับคนที่นี่ใช่ไหมเวลามีค่ามากดังนั้นเองก็ไม่อยากให้พลาดในรายละเอียด เอาไปาพิจารณาแล้วก็ไปทดสอบมันทำได้อยู่ทุกขณะอยู่แล้วแค่ลุกจากตรงนี้แค่ไป <c oughs> ถ่ายในห้องน้ำเนี่ยถ้าสังเกตทีดีมันมีรายละเอียดเยอะเลยใช่ไมตั้งแต่การขยับการลุกยังไงลุกแล้วยกขาไหนออกก่อนก้าวไปแล้วเท้าเหยียบพื้นรู้สึกยังไงเราก้าวไปแต่และก้าว จ, จิตเราสัมผัสจากการเคลื่อนไหวชัดไหม พอเข้าห้องจะออกจากประตูเอื้อมมือไหนบิดลูกประตูก่อนแล้วใช้มือไหนผลักประตูออกไปแล้วเอียงซ้ายหรือขวาออกจา ก, ด, กดูดีไรละเอียดเหล่านี้มันเยอะแยะไปหมดแต่เราเคยสังเกตบ้างมค่ะเราข้ามไปหมดโยนิสูรมนชการฝ่ายลูกกำน้ำเราถึงไม่พอไงพอไปเข้าสูรแล้วโยนิสูรมนชการฝ่ายน้ํารูปหมดสิทธ์เลยเพราะอ่า แม้แต่ในส่วนที่ง่ายที่สุดเรายัางทําไม่ได้และส่วนที่ยากไม่ต้องพูดถึงเลยอันนี้คือข้อว่าทําไมเราปฏิบัติยากทาไมมันถึงช้าทําไมจึงไม่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ได้อาศัยสติปัญญาขั้นลึกซึ้งอะไรใช่ไหมง่ายๆแต่ว่ามันไปอยู่ที่ไหนเพราะเราขาดศรัทธาที่จะทําเห็นไหมศรัทธาเข้ามาเกี่ยวข้อมาขาดศรัทธาที่จะรู้ศรัทธามีค่แต่ว่าโยนไม่สม ศรัทธามีแต่ไม่ใช่ศรัทธามันไม่ถูกต้องศรัทธาที่จำกัดที่มันมีแค่จำกัดไว้สีระดับนะหนึ่งกรรมวิฐาเชื่อการกระทาของเราไม่ได้เชื่อพุทธิยา้าแล้วกรรมวิาแาเราเชื่อการกระทำของเราหรือเปล่าอันที่สองกรรมวิปาขศรัทธาเชื่อว่าการกระทเนี่ต้องมีผลเพราะฉันขยับฉันสังเกตเนี่ยมันต้องมีผลนะ แต่เรารู้ว่าไม่เห็นมีผลในเรื่องธรรมดาลเลยคินแหน่เราไม่เชื่อกรร ม, มวิปลาสัทธาแล้วใช่ไหมอ่าอันที่สามกรร ม, มสกตาสาัทธาเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันต้องตกมาสู่เราไม่ได้ตกสู่คนอื่นเลยตกมาสู่กายสู่ใจของเราแน่นอนให้เชื่ออย่างนี้นะถ้าเราไม่เชื่ออย่างนี้ทำไปทำไมเสร็จเลย อันที่สีต่ตถาคตโพธิสัตย์เชื่อมั่นว่าการบรรลุธรรมเนี่ยของพระพุทธเจ้าเป็นไปได้ของเราเองก็เป็นไปได้ถ้าทําอย่างถูกต้องนี่คือสัตย์ที่ที่จํากัดเฉพาะที่มาทําเรื่องนี้นีไม่ใช่สัตย์ทั่วไปนะสัตย์ในการทําบุญทําทานรักษาสีนั้นเป็นเรื่องหนึ่งแต่สัตย์ในการทําต้องจํากัดไว้แค่สี่นี้หนึ่งเชื่อมั่นในการกระทําของตัวเองสองว่าการกระทําด้วยวิธีใดกระามดีก็ตามถูกถก็ตามถึงต้องมีผล แน่นอนสามผนั้นต้องตกกับเราสี่ถ้าทําอย่างถูกต้องแล้วการเข้าบรรลุถึงมรรคผลนิพพานมีได้ทุกคนเท ว, ว ต, าตาถาคาถาปุถุสธาดังนั้นเราเข้าใจ อ, อย่างนี้แล้วนี่โอ้มันสนุกชีวิตนี้มันไม่มีอะไรที่สนุกมากกว่า น, นี้เลยทุกขณะทุกเม็ดของการเคลื่อนไหวเก็บได้หมดแต่ด้วยความเคยชินด้วยความไม่แยบขายของเรานี่ข้ามรายละเอียดเหล่านี้ไปหมดเราจะไปโทษใคร ก็ ย, ยมส่วนนานั่นแหละ ย, ยอมรับ <laughs> ยอมรับนะ <laughs> เพราะฉะนั้นไปตั้งท่าเอาพยายามให้มากที่สุดเอาแค่กินอาหารเนี่ยเอามาควาจะสังเกตมันได้ต้องโอ้โหตัวสมันร้อยครั้งพันหุนแล้ ว, ว่าจะจับตัวเองได้นะอว่าทําไมมันชอบทำไมไมันกินแล้วมันสนุกสนานแต่พอเราเข้าใจแล้วมันก็ยิ่งสนุกสนานเข้าไปอีกเพราะสนุกสนานอย่ากมีสติแต่เมื่อก่อนสนุกสนานแบบตั้หาแบบ่ขาดสติ แล้วก็เลือกอาหารที่จะกินที่จะไม่เป็นไปตามตันหาเราทีนี้จะเลือกอาหารที่เป็นสุขภาพมีประโยชน์ที่สุดไม่ตามลดเราทีนี้เพราะอะไรเรารู้ว่าถ้าตามลดตามอยากเนี่ยมันก็คือตอบสนองตันหาของเราอ่าสารพัดมันก็เกิดมาแาบนั้นแต่พอเราไม่สนองตันหาของเราเนี่ยสุขภาพเราก็ดีกินอะไรที่มันไปนพิษภัยเลือกธาตุได้ธาตุสีดินน้ํำดมไฟดินน้ํำดมไฟนี้จะให้มันสะอาดเราก็ต้องดินน้ํำดมไฟที่มาสู่เราก็ต้องสะอาดด้วย แต่ถ้าหากอยากจะให้ร่างกายมันสบายแต่ว่าดินน้ำรูไฟคืออาหารมันไม่ดีอ่ะคือมันเป็นพิษอ่ะดินน้ำรูไฟนี่มันกระทบอันนี้มันไม่สะอาดแล้วจะให้ร่างกายของเราสบายได้ไงเป็นไปนไม่ได้เหตุอย่างหนึ่งผลอย่างหนึ่งเราต้องการสบายต้องการความสุขแต่คุณทําเหตุมันไม่ถูกอ่ะแล้วความสุขมันจะเกิดขึ้นได้ความสบายกายโรคภัยไข้เจิบมันก็มาตามเหตุของมันซาเสมอ อ่าอันนันไม่ได้ไม่ให้โอกาสเลยเวลาส่วนอย่าเปิดโอกาสแก่มันเทธนเวลาส่วนในอีมินาใช่ไหมแต่เราให้โอกาสมันทุกทีอ่ะเขเรียกว่าใจบุญไม่ถูกที่อ่นั่นแหละใจบุญไม่ถูกที่ไปสงสารกี่เหล่ไปสงสารไปสงสารศัตรูอ่ามันฆ่าเรามากี่พวกกี่ชาติแล้วฆ่าเรามากี่อ่าอสงไข่แล้วแต่เรายังไม่เห็นไม่ลาวอีกเพราะอะไรเพราะเรายอมให้มันฆ่า กรรมการไม่เข้มแข็งเพราะฉะนั้นตั้งท่าใหม่นะความแยกขายอย่าลืมแต่ในส่วนหน้าที่ขอนมามาทําเต็มที่แล้วคือทําหน้าที่ของกระดานมิดเอามาถือว่าได้ทําหน้าที่เต็มที่แล้วคือชี้แจงทุกแง่ทุกมุมทุกถ้อยกระทงความชัดเจนแล้วแต่หน้าที่ของโยกต้องอีกห้าสิบเปอร์เซ็นไปทําให้มันแยบขายไอ้ความแยกขายก็ไม่ใช่เรื่องยากที่กล่าวไปแล้ว่ะลูกจากนี้ไปห้องน้ําเนี่ยรู้ไหมว่าอะไรมันอยู่ในนั้นบ้าง ลุกยังไงนั่งยังไงเดินยังไงเหยียบยังไงโยงยังไงหมุนตัวยังไงเปิดพายังไงถ่ายแล้วรู้สึกยังไงท่องรู้ให้ละเอียดเลยโอ้โหมันสนุกมากเลยแต่เราเคยสังเกตขันระดับนั้นมั้งไหมครึ่งเดียวครึ่งเดียวก็ยังดีนะแต่ไอ้ครึ่งเดียวไม่ว่าบ่อยไหมไม่ใช่ว่าไปสค่สิบเที่ยวรู้สค่เที่ยวเดียวเนี่ยเอ่ถ้ารู้ทุกเที่ยวมากว่าน้อยบ้างใส่เปอร์เซนต์ลงไปนะเพราะฉะนั้นในวันนี้ ลองดูในเรื่องของดูกายและดูจิตก็อาลงดูอย่างน้อยก็ดูแค่จิตสามระดับสังขารสามระดับให้ออกก็แล้วกันนะว่าอันไหนเป็นธรรมารุงอันไหนเป็นสังขารอันไหนเป็นปัญญาแล้วอันไหนมันมีมากกว่าและบางครั้งสนามราว่างบ้างไหมต้องการให้สนามว่างบ้างไหมก็ รู้เฉยๆรู้ซื่อๆใช่อะไรามากกระทบก็ไม่ต้องไปสนใจมันมากเท่าไหร่ให้สนามมันว่างบ้างอย่าให้สนามมันวุ่นทั้งทั้งวันมันไม่ไหวนะหญ้ามันตายหมดนะเออปล่อย <laughs> ปล่อยให้มันว่างบ้างจิตให้มันว่างบ้างอย่าให้มันรับเข้ามาแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยทำารมณ์บางครั้งถ้าเราดูเป็นนะแล้วก็เอาออกได้เหมือนกันลองไปสํารวจดูนะโอเค okay, ช่งชวงเช้าเวลาที่เหลือเนี่ยออกไปเดินเจ้า ก, กลมไปนะเตรียมอาหารไม่ต้องเตรียมเยอะหรอก เตรียมเฉพาะช่วงเช้าไม่ต้องกินอะไรมาเออถ้าเป็นสีเตรียมแล้วเราไม่ต้องไปยุ่งเดินจุกกมถึงเวลาเดี๋ยวเข้าไปทานเลยเอะไ็เข้าไปแล้วมีอะไรก็ทานอันนั้นนะมีผลไม้ผลก็นั่งทานตรงนั้นแหละซึ่งจะเห็นเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่ที่อเมริกานี่เสียอย่างเห็นเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่โอ้ขนขวายเรื่องเงินมันก็ทําให้ยากพอไปเสื่มกิเลสเสื่มลสให้มันปรุงแต่งลสให้มันไปถูกต้องกับกิเลสมันก็เลยยากอย่นงเงี้นะ ถูกประหารนระหาร ใ, ใครประหารใครไม่รู้นะโอเคมุทนาสาธุกลับพปฟัมกัน